เรินสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมะส่สันติกก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ อตาตมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะพอนำเสนอธรรมะของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมงคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามซึ่งวันนี้เป็นปาสกถาธรรมที่หลวงพ่อท่านได้แสดงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์เวลาแปดนาฬิกาจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังปาตกถาธรรมในเรื่องธรรมะที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขโดยพร้อมกันณบัดนี้ ญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมดุดล้อรถนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขตอนที่สี่ว่าด้วยปุเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทาไว้แล้วในปางก่อนซึ่งอาตมาภาพได้กล่าวไปแล้ว3ข้อคือปฏิรูปเทศวาะการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมหนึ่ง สัพปริสูปัสยะการคบสัตว์บรุษหนึ่งและอัตตะสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งในวันนี้อาตมภาพจะได้กล่าวข้อปุเพกะตะุญญาตาความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แล้วในปางก่อนเป็นข้อที่สี่อันเป็นข้อสุดท้ายต่อไปคำว่าบุญณะที่นี้หมายถึงคุณความดีหรือกุศลธรรมซึ่งเป็นคุณลักษณะ ของความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาและทางใจและเป็นธรรมเครื่องชําระจิตสันดานให้บริสุทธิ์ทองใสสาธุชนพึงทราบลักษณะของความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาและทางใจที่ชื่อว่าบุญคือคุณความดีหรือกุศลธรรมนั้นคือประการที่หนึ่งเมื่อปฏิบัติก็ไม่เป็นการเบียดเบียนชีวิตร่างกายทรัพย์สินและเกียรติคุณความดี ของตนเองและของผู้อื่นกลับมีแต่เป็นการช่วยเสริมสร้างให้ชีวิตดีขึ้นให้มีความเจริญและสันติสุขขึ้นประการที่สองเมื่อได้ประพฤติธปฏิบัติไปแล้วยังจะได้รับผลจากคุณความดีนั้นตามระดับคุณความดีที่ได้กระทําไว้แล้วเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและถึงนิพพานสมบัติตามกฎแห่งกรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปแล้วเองโดยชอบแล้วจึง ได้ตรัสสอนไว้มีปรากฏในพระสุตันตปิฎกเล่มที่สิบห้าสังยุตตนิกายสขาทวั์ข้อสามร้อยสามสิบสามว่ากัลยาณการีกัลยานางปาปการีจะปาปการ์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองประการที่สามเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วย่อมยังจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจึงเป็นสภาวะธรรมเครื่องชำระจิตสันดานให้สะอาดบริสุทธิ์ดีขึ้น ส่วนว่าหลักการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักปฏิบัติไว้แล้วเมื่อครั้งที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกนพระเวลุปนารามนครราชคริในวันเพนเดือนมาคะคือเดือนสามเมื่อ2585ปีที่ล่วงมาแล้วว่าสัพพาปาปัสะอาการนังกุสละสูปะสัมปทาสจิตตปะโยทปนัง เอตังพุท ธ, ธานศาสนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งการชําระจิตใจให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังที่อาตมาภาพจะได้อธิบายขยายความต่อไปแต่ก่อนที่จะได้อธิบายหลักปฏิบัติตามพระสัต์ ธ, ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็จะขอทำความเข้าใจคาว่าปางก่อนสักเล็กน้อยว่าณที่นี้ หมายถึงระยะเวลาที่ได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้แล้วแต่อดีตคือในระยะเวลาที่ล่วงมาแล้วก่อนปัจจุบันนี้นับถอยหลังต่อต่อไปถึงพบชาติในอดีตนับพบนับชาติไม่ทวนหลักการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นบุญกุศลหรือคุณความดีตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือประการที่1การไม่ทําความชั่วทั้งปวง ด้วยความเพียรพยายามเลิกละความชั่วหรือบาปอกุศลที่ได้เคยกระทํามาแล้วหรือที่เคยมีอยู่แล้วในจิตสันดาลหนึ่งด้วยความเพียงระวังความชั่วหรือบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นในจิตสันดาลหนึ่งและด้วยการรักษาศีหนึ่งความชั่วหรือบาปอกุศลที่พึงเลิกพึงละและพึงระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกนั้นคือความชั่วทางกายชื่อว่ากายทุจริตได้แก่เจตนาฆ่าสัตว์ หรือเบียดเบียนสัตว์ที่มีชีวิตให้เดือดร้อนหนึ่งเจตนาลักช่อหรือกระบทคดโกงหนึ่งและเจตนาประพฤติผิดในกามหนึ่งทั้งนี้ยังรวมความถึงการหลงติดอยู่ในอบายมุกต่างๆด้วยเช่นการหมกมุ่นหรือสัมศนในกามการเล่นและติดการพนันการเสพและติดยาเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการติดเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียรคร้านในกิจการงานเป็นต้น ความชั่วทางวาจาชื่อว่าวจีทุจริตได้แก่การกล่าวคําพูดโป้ปดมดเท็จหลอกลวงผู้อื่นหนึ่งการกล่าวคำหยาบคายด่าทอสบดสะบานต่างๆ่หนึ่งการกล่าวคํายุแย่ให้หมู่คณะเขาแตกแยกกันหนึ่งและการกล่าวคําเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระประโยชน์อีกหนึ่งความชั่วทางใจชื่อว่ามโนทุจริตได้แก่ความคิดอ่านหรือเจตนากรรมทางใจที่กอบด้วยความโลภหรือตัณหาราคะหนึ่ง ความโกรธพยาบาทหนึ่งและความหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหนึ่งเพราะว่าความชั่วหรือบาปอกุศลทางกายทางวาจาและทางใจนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วย่อมเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นให้เสื่อมเสียหรือให้เป็นความทุกข์เดือดร้อนอีกทั้งยังจิตใจของตนให้ขุนมัวเศร้าหมองด้วยกิเลสและให้ผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติถึงความเสื่อมแห่งชีวิต เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้เพียรเลิกละเสียและให้เพียรระวังมิให้เกิดขึ้นในจิตสันดานอีกที่ว่าความชั่วหรือบาปอากุศลที่เมื่อใครก็ตามได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนั้นจะเห็นตัวอย่างได้เป็นต้นว่าผู้เสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ย่อมมีผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมทั้งสติปัญญาความสามารถของผู้เสพและติดนั่นเองเสื่อมลงอย่างรวดเร็วตามระดับของการเสพและติดและตามความร้ายแรงของยาเสพติดประเภทต่างๆอันเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปนี้เป็นการเบียดเบียนตนเองโดยตรงอย่างโง่งเง่าที่สุดอันหนึ่งในยุคใดสมัยใดที่ผู้คนนับตั้งแต่ผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติ ทั้งนักการเมืองข้าราชการประจำถึงนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนประกอบกรรมชั่วด้วยอํานาจความโลภมากมีกายทุจริตคดโกงช่อราดบังหลวงมากและหรือด้วยอํานาจตันหาราคากล้ามีการสาส่อนในกิเลสกา ม, มากยุคนั้นสมัยนั้นผู้คนจะประสบกับทุกพิกขันตรายคืออันตรายเพราะความอดอยากยากแค้นข้าวยากมากแพงสภาวะการเศรษฐกิจตกต่า ผู้คนจะยากจนข้นแค้นมากหรือจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แก่อักขีภัยคือภัยจากไฟไหม้วาตภัยภัยจากลมพายุกูทอกภัยภัยจากน้ำท่วมและอื่นๆเช่นแผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มหรือฝนฟ้าแห้งแลง้งเป็นต้นยุคใดสมัยใดที่ผู้คนประกอบกรรมชั่วด้วยอำนาจความกโกรธพยาบาทมากยุคนั้นสมัยนั้นจะประสบกับสัตว์ถันตราย คืออันตรายเพราะการรบราฆ่าฟันกันได้แก่เกิดการจละลาจนวุ่นวายถึงเกิดสงครามกลางเมืองและหรือเกิดสงครามระหว่างประเทศถึงสงครามโลกมีการรบราฆ่าฟันล้มตายกันเป็นอันมากยุคใดสมัยใดที่ผู้คนประกอบกรรมชั่วด้วยอำนาจโมหะคือความหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษมากบุคคลในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะประสบโปคขันตรายคืออันตรายเพราะเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาด หรือที่ร้ายแรงมากเช่นในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นผู้คนเป็นโรคมะเรง็งโรคเอชโรคร้ายแรงอื่นๆมากขึ้นผลของกรรมชั่วหรือบาปอกุศลที่ผู้คนกระทำด้วยอำนาจกิเลสตัณหามากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ชื่อว่าเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นซึ่งนอกจากผู้คนจะพากันประสบอันตรายต่างๆได้แก่ทุพพิกขันตรายอันตรายคือความอดอยากสัตว์ันตรายอันตรายคือการรบราฆ่าฟัน และโรคอันตรายอันตรายคือโครคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วแม้ธรรมชาติได้แก่ฤดูกาลต่างๆก็ยังวิปริตแปรปรวนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วยดังพระพุทธดำรัสตรัสไว้มีปรากฏในพระสุตันตปิฎกเล่มที่21อังคุตรนิกายจะตุกานิบาตข้อ70ว่าดูกระพิกษุทั้งหลายสมัยใด เมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยูのののなな่ในธรรมสมัย <Kas> นั้นแม้พราหมณ์และคฤหบดีก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และค้าราบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคมและชาวชนชนบทเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อ พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวนักสัตว์ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักสัตว์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอรุดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ ลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอลมก็ย่อมเดินผิดทางไม่สม่ำเสมอย่อมพัดเวียนไปเมื่อลมเดินผิดทางไม่สม่ำเสมอย่อมพัดเวียนไปเทวดาย่อมกำเริบเมื่อเทวดากำเริบฝนก็ย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกันพิษสุกทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวก็สุกไม่เสมอกัน ย่อมเป็นผู้มีอายุน้อยมีผิวพรรณเศร้าหมองมีกำลังน้อยมีอาพาธมากเพราะเหตุนั้นจึงอย่าได้แปลกใจที่มีภัยธรรมชาติหลายๆอย่างปรากฏแก่ชาวโลกมีทั้งลมพายุที่รุนแรงแผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มเกิดสภาวะน้ำท่วมไฟไหม้ฝนฟ้าแห่งแรงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดปรากฏการที่ชื่อว่าเอลนิโย และต่อไปก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติติดตามมาชื่อลานิ ญ, ญา่าอันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตมนุษย์สัตว์ต้นไม้และพืชพันธุ์ธัญญาหารในบริเวณพื้นที่เกิดภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้อันเนื่องแต่กรรมชั่วหรือบาปอากุศลที่มนุษย์หรือสัตว์โลกได้กระทําไว้อย่างต่อเนื่องทับทวีมากยิ่งขึ้นกําลังให้ผลส่วนประเทศไทยเรานั้นนับว่าโชคดีหนักหนาที่เป็นเมืองพุทธ คือประชาชนกว่า75เซนที่นับถือพระพุทธศาสนารู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงบ้างพอสมควรจึงได้พากันประกอบการบุญการกุศลตามกำลังส่วนที่ทุศีลคือประพฤติผิดศีลผิดธรรมก็มีแต่ที่เป็นสัมมาทิฐิมีใจบุญใจกุศลประพฤติดีประพฤติชอบตามทํานองครองธรรมก็มีอยู่ด้วยเหตุนี้แม้จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพราะกรรมชั่วของบุคคลผู้ทุศีลหรือประพฤติชั่วแต่ด้วยกุศลผลบุญของผู้มีศีลมีธรรมก็พอจะช่วยขำจุนไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายมากนักอย่างเช่นที่เกิดปรากฏการเอลน尼โยเป็นผลให้เกิดสภาวะร้อนแห่งแล้งมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนมีข่าวในตอนต้นปีที่แล้วนีว่าจะเกิดสภาวะแห้งแล้งจัดตลอดปีที่แล้วแต่ด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรยัย ด้วยอำนาจบุญกุศลและบารมีของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมภายในประเทศไทยเราจึงช่วยให้ประเทศไทยเรารอดพ้นจากสภาวะแห้งแล้งจัดทำให้มีฝนตกเพียงพอแก่การเพาะปลูกในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ถึงกับเดือดร้อนอับจนและแม้ในปีนี้จะมีข่าวสภาวะแห่งแล้งอีกบัดนี้ก็ปรากฏว่าเริ่มมีฝนตกในบริเวณพื้นที่ในภาคอีสานมากพอสมควรและยังแผ่เข้ามาในภาคกลางบางพื้นที่บางแล้ว และหวังว่าคงจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนี้ก็ได้บุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังริษณ์อำนาจของคุณพระรัตนตรยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสามเณรผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและทรงคุณธรรมสูงแม้จะมีจำนวนไม่มากนักแต่ต่างก็พากันช่วยกันเจริญวิชาอธิษฐานจิตช่วยดับทุกข์แก่สาธุชนผู้ประพฤติธรรมเท่าที่กาลังบุญบารมีที่พอจะทาได้ และก็ยังมีข้อที่น่าสรนนิฐานว่าแม้เทพพยาดาก็ย่อมจะเป็นใจช่วยบันดานให้ฝนตกด้วยประกอบกับมีข่าวต่อไปอีกว่าโครงการฝนหลวงก็กำลังจะเริ่มดำเนินโครงการทำฝนเทียมตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนจะรู้สึกตัวและตื่นตัวพากันกระทาดีพากันประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงดเว้นความชั่วเลิกประพฤติผิดศีลผิดธรรมและอบายมุกเสีย ก็ย่อมจะเป็นผลดีคือได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขยิ่งขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมด้วยกันอีกด้วยแต่ถ้ายังไม่รู้สึกตัวหลงมัวเมาอยู่แต่ในความชั่วและอบายมุขมีแต่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็ย่อมจะได้รับผลชั่วคือได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนถึงความเสื่อมแห่งชีวิต อย่างที่ไม่มีใครสามารถจะช่วยได้เลยและพึงสันนิษฐานได้เลยว่าแม้เทพพยายดาก็จะไม่เป็นใจช่วยบรนดานให้เกิดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแก่ประชาชนที่มีแต่คนทุศีนเอาแต่ประพฤติชั่วตามพระพุทธธรรรัตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้นำมาแสดงอ้างไว้นั้นแล้วเพราะเหตุนี้การเลิกการละความชั่วหรือบาปอกุศลจึงเป็นบุญกุศลคุณความดี ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะเป็นเครื่องจํากัดหรือลดบันเทาเวรัยอันจะเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญคุณความดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้เกิดขึ้นอีกก็จะช่วยให้การบําเพ็ญบุญกุศลคุณความดีให้สามารถปฏิบัติได้ยิ่งยวดและแก่กล้ายิ่งขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีถึงปรมัจาบารมีได้โดยสะดวกและยังจะติดตามให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขได้ตลอดไปการรักษาศีลเป็นการควบคุมความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการเจตนางดเว้นการกระทำความชั่วหรือบาปอกุศลทางกายทางวาจาอันมีผลให้ถึงความสงบใจและบริสุทธิ์ท่องใสาจากกิเลสห ย, ยาบๆได้แก่อภิชาวิสมะโลภะ คือความโลภอย่างร้ายแรงอย่างแรงกล้าตัณหาราคะความพยาบาทมาร้ายและมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดจากทานองคลองธรรมและกิเลสระดับกลางกลางได้แก่กามฉันทะและโมหะคือความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเป็นต้นได้อีกทางหนึ่งนับว่าสำคัญยิ่งก็คือศีลเป็นรากฐานแห่งคุณธรรมอันดีงามทั้งปวงของกัลายาณชนคนดี ศีลขั้นต้นสําหรับทุกคนก็คือศีลห้ศีลขั้นกลางสําหรับผู้ประสงค์จะฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปก็คือศีล8หรือศีลอุโบสถศีลขั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีกได้แก่ศีลสิบสาหรับสามเณรและศีล227ที่มีมาในภิกขุปฏิโมกสําหรับพระภิกษุศีลแต่ละระดับนี้จัดเป็นบุญกุศลคุณความดียิ่งยิ่งขึ้นไปตามลําดับชั้นของศีลที่ปฏิบัติได้ จะได้ศึกษาอบรมกายและวาจาให้เรียบร้อยดีให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแต่ละระดับไม่ด่างไม่พร้อยให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์ดีอยู่ชื่อว่าอธิศีลคือศีลอันยิ่งจัดเป็นศีลวิสุท ธ, ธิคือความหมดจดแห่งศีลแล้วยังจะเป็นปัจัจให้สามารถอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงใหถึงระดับฌานจิตใหเกิดองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรเครื่อง ขวางกั้นปัญญาได้โดยสะดวกอีกด้วยหลักปฏิบัติประการที่สองการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมคือความตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนทางกายทางวาจาและทางใจให้อยู่แต่ในคุณความดีให้เป็นบุญเป็นกุศลในจิตสันดานและทั้งเพียรพยายามเพิ่มภูนบุญกุศลในจิตสันดานให้แก่กล้าขึ้นเป็นบารมีอุ ป, ปบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงเป็นปรมาทบารมีผลแห่งบุญกุศลคุณความดี และบารมีทั้งหลายก็จะส่งผลให้ได้รับแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตยิ่งขึ้นไปตามระดับภูมิธรรมและบุญบารมีที่ปฏิบัติได้ไม่มีเสื่อมอันหนึ่งผู้ที่มีบุญกุศลคุณความดีที่แก่กล้าถึงเป็นบารมีอุปะบารมีและประมาธบารมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาแต่อดีตดีแล้วเพียงไรย่อมติดตามให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิต ในการต่อต่อไปมากเพียงนั้นบุญกุศลคุณความดีที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติให้เกิดมีในจิตสันดานในชั้นต้นนี้ก็คือเบญจกัลยานธรรมคือธรรมอัน ง, งามหข้อซึ่งพึงปฏิบัติควบคู่กันไปกับเบญจศีลคือศีลหแล้วก็พึงเพียนเพิ่มภูณบุญกุศลให้มากขึ้นให้แก่กล้ายิ่งขึ้นในจิตสันดานจนถึงเป็นบารมีอุ ป, ปบารมีและประมัฐบารมี ต, ต่อต่อไปตามลาดับ เป็นจากกัลยาณธรรมคือทำอันงาม5ข้อนั้นได้แก่เมตตากรุณาหนึ่งสัมมาอาชีวะและทานกุศลหนึ่งสัทธรรสันโดษและการสังวรหนึ่งสัจจะหนึ่งและอัปปมาทะหรือสติสัมปชัญญะหนึ่งดังจะได้อธิบายแต่พอสังเขปให้พอสมควรแก่เวลาต่อไปเมตตานั้นคือความรักปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งปวงอยู่ดีมีสุขกรุณานั้นก็คือความสงสารผู้อื่นที่กําลังมีทุกข์ คิดจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์เมตตากรุณาธรรมนี้จึงจัดเป็นพรหมวิหารธรรมคือธรรมประจําใจอันประเสริฐของผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่เมื่อตอนเองอยู่ดีมีสุขก็ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุขด้วยเมื่อเห็นผู้อื่นมีทุกข์ก็คิดหาทางช่วยเหลือตามกําลังของตนเพื่อให้เขาได้พ้นทุกข์ผู้มีคุณนาธรรมนี้จึงย่อมเป็นผู้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั่นเองผู้ที่ได้บำเพญ็ญเมตตากรุณาธรรมมากและแก่กล้าเป็นเมตตาบา ร, รมีอุปปาบา ร, รมีและถึงปรมัตตบา ร, รมีย่อมเป็นผู้มีผิวพันธุ์ผุด่องย่อมเป็นที่รักของหมู่ชนและแม้เทพยาดาทั้งหลายและย่อมเป็นผู้ที่มีศัตรูและมีเวรภัยน้อยศัตรูหมู่อมิตรผู้คิดร้ายมักทําอันตรายไม่ได้และศัตรูมักพ่ายแพ้ภายตัวเอง สัมมาอาชีวะและทานกุศลก็คือการประกอบอาชีพโดยชอบคือสุจริตไม่คดโกงเขาเลี้ยงชีพทรัพย์สินที่ทำมาหาได้โดยสุจริตก็ย่อมจะไม่วิบัติสิบหายเพราะภัยต่างๆเช่นโจรภัยราชภัยภัยจากสงครามและแม้ภัยทางธรรมชาติได้แก่น้ำท่วมไฟไหม้ลมพายุแผ่นดินไหวและแผ่นดินถล่มเป็นต้นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะจึงเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงไม่ตกต่ำ และยิ่งเป็นผู้ประกอบทานกุศลไว้มากเป็นทานบารมีอุปบารมีถึงทานปารมัตตบารมีก็ยิ่งได้รับผลจากบุญบารมีที่ได้ประกอบบาเพ็ญไว้ดีแล้วเป็นผู้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติได้แก่เป็นผู้มีรูปสมบัติงดงามมีโภคขยศมากมีบริวารมากและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถคู่คุณธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปมากก็ยิ่งจะมีผลให้เจริญด้วยสวรรคสมบัติถึงนิพพานสมบัติได้ ส่วนผู้ที่มักประกอบมิจฉาอาชีวะคือมักประกอบอาชีพที่ไม่ชอบทำคือทุจริคตคดโกงเขาเลี้ยงชีวิตก็ย่อมจะได้รับผลตรงกันข้ามกับผลของการประกอบสัมมาอาชีวะเพราะเหตุนั้นผู้ที่ทำมาหากินไม่ขึ้นหรือเป็นบุคคลยากจนข้นแค้นก็พึงเข้าใจได้เลยว่าเพราะขาดทานกุศลจึงไม่มีบุญกุศลคุณความดีจากการที่ได้เคยบริจาคหรือเสียสละมาก่อนเป็นทุนหรือเป็นสเสบียงเลี้ยงตัว ที่จะคอยเกื้อนหนุนให้การธรมาหาเลี้ยงชีพเจริญขึ้นได้บางคนจึงยากจนข้นแค้นและถึงอับจนเลยทีเดียวเพราะเหตุนั้นบุคคลไม่พึงประมาทไม่พึงละเลยเรื่องสัมมาอาชีวะและฐานกุศลนี้บัณฑิตผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบโดยประกอบแต่สัมมาอาชีวะและทานกุศลให้ยิ่งยวดแก่กล้าขึ้นไปเป็นทานบารมีทานอุปบารมีและถึงเป็นทานปรมัตาบารมี อันมีผลให้การบำเพ็ญกุศลคุณความดีข้ออื่นๆเจริญขึ้นตามไปด้วยก็จะได้รับผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขสถาระสันโดษและการมสังวรคือความพอใจแต่เฉพาะคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามรู้จักยับยั้งชั่งใจควบคุมตนในทางกามรมไม่สัมนในกาม ครอบครัวใดที่พอบ้านแม่เรือนประพฤติปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมข้อนี้ครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความอบอุ่นและสันติสุขแม้การทำมาหากินก็เจริญก้าวหน้าดีมีความเจริญด้วยลาบยศสรนเสริญและความสันติสุขมีอุปสรรคข้อขัดข้องในกิจการงานน้อยส่วนครอบครัวใดที่พอบ้านแม่เรือนเป็นคนทุศีลมากๆในกามอารมณ์ไม่มีความสันโดษในคู่ครองของตนหมกมุ่นอยู่แต่ในกามสัมพนในกามแล้วครอบครัวมักจะแตกแยก มีการทะเลาะเบาะแว่งกันมากแม้การทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่เจริญมักมีอุปสรรคในการงานมากและมักจะเสื่อมลาบเสื่อมเสียกิจติยศชื่อเสียงและมักได้รับความนินทาว่าร้ายและความทุกข์แม้ตระกูลที่เคยมั่งคั่งก็ถึงความเสื่อมได้โดยง่ายสัจจะคือความจริงหมายความว่าเป็นผู้กล่าวแต่วาจาที่จริงไม่โป๊ปดมดเท็จหรือหลอกลวงต่างๆเป็นคนจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นคือมีแต่ความจริงใจต่อกัน ผู้ที่มีสัจจะย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือเชื่อถือจากชนทั้งหลายส่วนผู้ที่ไร้สัจจะก็ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับนับถือเชื่อถื อ, ถอจากผู้อื่นอัปมาทะหรือสติสัมปชัญญะคือเป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตเป็นผู้มีสติคือความระลึกได้ด้วยปัญญาอันเห็นชอบก่อนจะคิดพูดทำว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นหนทางไปสู่ความเจริญอะไรเป็นหนทางไปสู่ความเสื่อม ระลึกได้แล้วก็เลือกวิธีปฏิบัติตนแต่ในทางที่ดีที่เป็นคุณประโยชน์ที่เป็นทางนําไปสู่ความเจริญและสันติสุขแต่ถ้าพลาดพลัง้งเผลอสติประพฤติปฏิบัติไปในทางไม่ดีหรือทางเสื่อมบ้างก็รีบรู้สึกตัวเรียกว่ามีสัมผชัญญาแล้วกลับตัวกลับใจประพฤติปฏิบัติตนตั้งตนอยู่แต่ในคุณความดีดําเนินชีวิตไปแต่ในทางเจริญไม่ไปในทางเสื่อมที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนผู้ที่ไม่ประมาทหลงมัวเมาในชีวิต เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเพียงไรชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขเพียงนั้นไม่มีเสื่อมเลยส่วนผู้ที่ประมาทหลงมัวเมาในชีวิตขาดสติสัมปชัญญะด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงหรือก็พอรู้อยู่เหมือนกันแต่ไม่นำพาที่จะตั้งตนอยู่ในคุณความดี หันไปประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ทชั่วนึกว่าไม่เป็นไรหรือว่าไม่มีใครรู้เห็นก็หลงดําเนินชีวิตไปสู่ความเสื่อมนําตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนได้ทุกเมื่อเพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทในชีวิตดําเนินชีวิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะและด้วยปัญญาอันเห็นชอบชีวิตของท่านผู้เช่นนี้จึงมีแต่ความเจริญและสันติสุขสุขสวัสดีในทุกเมื่อ กล่าวโดยสรุปผู้ที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติตนอยู่แต่ในคุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลคือเป็นผู้งดเว้นความชั่วทั้งปวงบำเพ็ญตนอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมเป็นผู้กระทําแต่กรรมที่ดีงามแต่ปางก่อนคือแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพียงไรย่อมจะได้รับผลจากบุญกุศลคุนความดีที่ได้กระทําไว้แล้วนั้นเป็นความเจริญและสันติสุขมากเพียงนั้นเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงตรัสสั่งสอนหลักประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่แต่ในคุณความดีสประการคือการไม่ทําความชั่วทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งและการจําระจิตใจให้ผ่องใสหนึ่งเพื่อให้สาธุชนประพฤติปฏิบัติตามจักได้ถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ทุกท่านผู้สนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมและเจริญภาวนาธรรมขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเปลี่ยนวัสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 18.30 นและทุกวันอาทิตย์รอบเช้าเวลา 9.30 นและรอบบ่ายเวลา 13.00 นวันนี้อาตมาภาพขอยุติการปาตกตาธรรมไว้แต่เพียงนี้ก่อน ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพรนั่นก็เป็นสารธรรมในทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขที่สาธุชนได้รับฟังจบลงไปหลวงพ่อท่านได้อธิบายขยายความในหลักของการที่จะทําชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันรวมทั้งที่จะส่งผลไปในอนาคตด้วยสําหรับ รายการธรรมะสู่สันติวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเธอเจริญพอ